สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซิดอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิดมันตีมะออะฮุบิลลาฮิมินอัชชยตอนุรรจีมบิสมิลลาฮิรลอห์รรห์มานิรราหีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับน์อาลเมินวัสซาลาตวัสสาลามอัลลอัชาร์ฟินอันบิยัยวันมุรซัลีน وعلى آله والصحبه ومن َ ت ب َ ه م بإحسان ٍ إلى يوم الدين رب ش ر ْ ل صدر ي ويسر أمر ي وحل َ أقدة من لسان يفقه ُ قولي اللهم لا سهل إلا ما ج ع ت ه سهل وأن تجعله زنا إذا شئت سهل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين أما بعد ل س ل ا م عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังในส่วนของรายการตับซีรุนกุรอานทางวิทยุเสียงสันติหรือเสียงอิสลามนะครับแล้วก็พี่น้องที่ติดตามทางแฟนเพจของเสียงอิสลามนะครับหรือตลอดจนทางแอปพลิเคชันมุสลิมไทยอ่อนแอนะครับ อัลฮัมดุลิลลา a ์พี่น้องครับขอบคุณอัลลอสุบฮานะฮัตตาลาที่ทาให้พวกเราได้กลับมาพบเจอกันแล้วก็ได้มานั่งฟังเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่จะเป็นคำดำรัสของอัลลอฮฺสุบบฮานะฮัตตาลานะครับสิ่งที่เป็นความสำคัญที่สุดนะครับของพวกเราทุกๆคนประการหนึ่งในการเป็นมุสลิมของพวกเรานั้นก็คือการที่เราได้นั่งศึกษานั่งอ่านนะครับฟังเรื่องราวต่างๆที่เป็นพระประสงค์ของขอัลลอฮสุบฮานะฮัตตาลาด้วยกับ ถ้อยคําดํำรัสของพระองค์ที่ถ่ายทอดมาผ่านท่านนาบีมุฮัมมัดสุล ล, ลัลฮฺขออะเลฮีวะสัลลัมพี่น้องครับเราก็ยังอยู่ในส่วนของการอ ธ, ธิบายในสุรอตตอริกนะครับสําหรับในวันนี้ครับเราก็จะมาขึ้นในองค์การที่4ของสุรอตตอริกซึ่งหลังจากที่เราได้เรียนรู้นะครับเราได้ศึกษากันไปในส่วนของ ซูรอตตอลิกนะครับพี่น้องก็ทราบกันไปบ้างพอสมควรแล้วนะครับว่าซูรอห์นี้เป็นซูรอห์ที่มีความสําคัญอย่างไรแล้วก็เป็นซูรอห์มะ ก, กียะเป็นซูรอห์ที่ถูกประทานลงมาก่อนที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลจะทําการอพยพไปสู่เมืองมดีนะแล้วก็ในซูรอห์นี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นซูรอห์ที่อยู่ในลําดับที่แปดบหของอายะอันกุรอานขององค์การอันกุรอานนะครับในแต่ละซูรอ สุรอ้อนนี้นะครับเป็นสุรอ้อนที่ประมวลเอาไว้ด้วยเรื่องราวต่างๆที่มีความสําคัญกับผู้ศรัทธาอย่างพวกเรารวมทั้งหมดแล้วนะครับสิองค์การด้วยกัน17อายะด้วยกันนะครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกันไปนะครับในส่วนขององค์การที่1องค์การที่2และองค์การที่3ครับลองมาทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อว่าพี่น้องหลายๆท่านอาจจะได้ลืมกันไปบ้างแล้วนะครับวันนี้เราก็ได้มาทําการทบทวนกันนะครับอาอูซูบิลละฮิมินาเชตตอนูร์รจิม วะเซมะอิวตตอริเกาะอลลอซุบบฮานะหัวตาลาได้กล่าวนะครับเป็นการสาบานนะสาบานจากอลลอซุบบฮานะหัวตาลาพระองค์บอกว่าสาบานด้วยกับท้องฟ้าด้วยกับชั้นฟ้าและดวงดาวต่างๆในยามค่ําคืนนะครับอลลอซุบบฮานะหัวตาลาได้กล่าวในองค์การต่อมาองค์การที่2ครับว่ามาอดาเดรอแคมตตอริเกะ และอะไรเล่าที่ทำให้เจ้าได้รู้ว่าสิ่งที่มาในเวลาค่าคืนนั้นคืออะไรนะครับคำว่าวามาอัจรอกมมัตตริกก็คือหมายถึงว่าสิ่งที่มาในยามค่าคืนนะครับจะเป็นอะไรนั้นนะครับสิ่งใดเล่าที่จะทำให้เจ้าได้รู้นะครับนี่คือองค์การที่สองที่เราได้พูดคุยกันไปก่อนหน้านี้นะครับส่วนในองค์การที่สามครับอัลลอฮฺซุบฮาหนะฮัลฮอละก็ได้กล่าวเฉลยเอาไว้ วันเอ้อขอมาอภัยครับอันน جم แทกิบอันน جم แทกิบนะครับอัลลอฮฺ سبحانه และหัวตละลักก็ได้เฉลยเอาไว้ว่าสิ่งที่มาในยามค่ำคืนนั้นก็คือบรรดาดวงดาวที่นะครับที่ประกายแสงที่ส่องแสงเรืองแสงอยู่ในยามค่ำคืนนั่นเอง นะครับอันนี้เป็นการกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮาบะฮันน์นหวตาลาได้กล่าวนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยเป็นการสรรรส้างจากอัลลอฮฺซุบฮาบะฮันนหัวตาลานะครับแล้วก็หลังจากที่เราเรียนกันไปนะครับในครั้งที่แล้วที่บรรดานกักวิชาการมุฟัซซิลินได้พยายามบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆนะครับตั้งแต่องค์การที่1ถึงองค์การที่3 นะครับวัสมะอินะครับเป็นการนะครับเขาเรียกว่าอุกซิมุปิสมะก็คือการที่พระองค์อัลลอฮฺสุบบฮานะฮัวตาลาได้ทรงทําการสาบดสาบภานกับท้องฟ้าแล้วก็เป็นสิทธิของอัลลอฮฺสุบบฮานะฮัวตาลาที่พระองค์จะทรงสาบานกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระองค์ทรงสร้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ําตรงนี้ก็คืออัลลอฮฺสุบบฮานะฮัวตาลาพระองค์มิจําเป็นจะต้องขออนุญาตใครในการที่พระองค์จะสาบานกับสิ่งที่พระองค์รงสร้างนะครับดังนั้นเวลาที่เราแปลหรือว่่าาาาใใหห้้คควมมยนนพีองรรับเ จะใช้ทใช้คำแทนตัวเองเนี่ยไม่ได้เพราะว่านี่คือคำดำรัดของอัลลอสุบหฮานะหะฮวะตาลานะครับสาบานต่อชั้นฟ้าสาบานต่อท้องฟ้านะครับว่าอุกซิมุบิตริกอัลลดียัดฮารุไลลัน ในตรงนี้ครับนักวิชาการอุฟัสซีรินก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับในตับซีดของอิบดิจาริสอัตตบารีได้รายงานเอาไว้นะครับในส่วนของอาการรายงานของท่านก็คือการที่อลัลลัซซุบบรฮานะฮุอัลตะลาได้ทําการกับบิ ต, ตริกนะครับอัตตอริกก็คืออลัลลาฮยาทารุไลลันเป็นสิ่งที่จะถูกปรากฏในยามค่ําคืนนะครับสิ่งที่จะปรากฏนะครับในตอนกลางคืนนั่นเองทัวมาอดามัดตะรักมาตตาริก และสิ่งใดเล่าที่จะทำให้เจ้านั้นรู้ว่าอตัตตอริกเนี่ยคืออะไรนะครับเป็นการอิสติฟฮามนะครับวามาอัดรอกาตรงนีนะ้เราก็ได้เรียนกันไปพอสมควรนะครับคำว่า วามะอัดรอกะนะครับตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับนักวิชาการก็อธิบายนะครับในส่วนสิ่งที่เป็นการตั้งคำถามจากอัลลอฮฺ سبحانه แะตาลานะครับในคำว่าวามาอัดรอกะมัตตอริกนักวิชาการมุฟสซินได้อธิบายเอาไ ว, ว้วามะนะครับอัลละวามะอัลละมะกะยามุฮัมมัดุบิตริกอัลลีอัลลดี อัลซัมตุฮูบิลกัสามิบิฮีนะครับอันนี้นักวิชาการนะครับโดยเฉพาะในหนังสือตําราอ ธ, ธิบายอัลกุรอานโดยท่านอิบนนจาริดอัตตบารีก็ได้ทําการอธิบายเอาไว้นะครับแล้วก็ในตับซีดของอิบเนอชูรนะครับก็ได้อธิบายเอาไว้เช่นเดียวกันอธิบายว่ายังไงพี่น้องครับก็คือะอะไรเล่าที่ทําให้เจ้ารู้นะเจ้าตรงนี้ก็หมายถึงยามุฮัมมัดก็หมายถึงท่านนาบีมุฮัมมัดส ล, ลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมนะครับ ทำให้เจ้ารู้ว่าบิตตอริกเนี่ยสิ่งที่มันมาในยามกลางคืนเนี่ยคืออะไรนะครับและนักวิชาการก็ได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับอัลลอฮ u ดีอัลซัมตุฮูบิลคอซามิบฮีนะครับก็คือสิ่งที่เป็นความยิ่งใหญ่ที่อัลลอ์สุบฮานะฮัวตาลาดได้ทรงส า, าบทสา บ, บานกับสิ่งนั้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีใครสร้างได้นะครับมีแต่พระองค์อัลลอ์สุบฮานะฮัวตาลาเท่านั้นและพระองค์ก็ได้เฉลยเอาไว้ในองค์การที่สามของ อัตตริกนะครับอันนัจมุธกิบะนะครับอัลลอฮฺ سبحانه และก็เตลิดเฉลยอยุหุนหุนนัจมุห์วลมุตวคิุัวลมุตวคิดนะครับอันนากอันนาฟิ ลัทธิสุภนะนาหัวตาลาได้กล่าวเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าสิ่งที่มันมานะครับในยามค่ําคืนในตอนในยามราตรีเนี่ยนะครับก็คือดวงดาวอันพราวแสงดวงดาวที่เจิด จ, ะจะรัรอยู่ในยามค่ําคืนนะครับตรงนี้ก็เป็นความเข้าใจของอาทอรอบบาริสเดนจิริสอัตบารีก็เช่นเดียวกันแล้วก็นะครับในตับซิดอัลวซิดนะครับ ของอัลวาฮิดีนะครับท่านก็ได้อธิบายเอาไว้ในทํานองเดียวกันตัฟซิดอัลกุรตุบี Al ก็เช่นเดียวกันนะครั บ, บทัฟซิดของท่านอิมนนกาติดก็เช่นเดียวกันนะครับอธิบายเป็นในทิศทางเดียวกันในการอธิบายอันกุรานของทัฟซิดอิมเนสาดีนะครับของอัสซาดีนี่ก็อธิบายเป็นในทิศทางเดียวกันนะครับเพราะว่า อันนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบบฮานะฮวอตลลาห์าได้กระทําการสาบานนะครับที่สาบานในยามค่ําคืนตรงนี้ก็คือสาบานกับดวงดาวที่พระองค์ได้ทรงสร้างมันมานะครับแล้วก็ไอการสาบานตรงนี้แหละครับเป็นการสาบานที่อัลลอฮฺสุบบฮานะฮวอตลลาห์าได้กล่าวเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าใครจะใครจะรู้ได้นะครับใครที่จะทราบได้ดีถ้าหากว่าผู้นั้ น, นไม่ใช่ผู้สร้าง นะครับอันนี้สิ่งหนึ่งนะครับที่เราได้นะครับอัลลอสุบหฮานหัวตาลาได้กล่าวต่อในองค์การที่สี่นะครับหลังจากที่เราเรียนรู้กันมาแล้วนะครับในส่วนของตั้ง 1, 2, 3องค์การที่ผ่านมานะครับมาดูในองค์การที่4ี่พี่น้องครับ นะครับตรงนี้พี่น้องครับเป็นอายสั้นๆเป็นองค์การสั้นๆ น, นะครับคว่าอันนามุนะครับอันนมุตรงนี้แปลเป็นคาเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นอิสมุนเป็นคานามที่มีสระเป็นดมมะนะครับอันนามุนะครับตรงนี้นะครับอัากิบะอักิบะ ัสซากิบตรงนี้เป็นศิฟะมารฟูอาร์ก็คือเป็นคำขยายความนะครับของคำว่าอันนาจมูอันนจมูแปลว่าอะไรพี่น้องอันนาจมูก็แปลว่าดวงดาวนะครับซากิบซากิฟก็แปลว่าดวงดาวที่มันประกายแสงส่องประกายแสงนะครับในยามค่าคืนตรงนี้พอเราไปดูความเข้าใจของนักวิชาการที่ทำการอธาธิบายอันกุรรานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก้อละกาตาดาอวอรุหูท่านอิหม์กตาดาและก็นักวิชาการในยุคซาละฟุสและท่านอื่นๆได้อธิบายนะครับอินนามาซุมเมียนนาจมุตอริกอนนะครับท้ายที่จริงแล้วสิ่งนี้ก็คือการเรียกขานหรือว่าการเรียกชื่อนะครับดวงดาวที่ชื่อว่าตอริกนะครับตรงนี้เองนะครับนักวิชาการในการอธิบายอันกุรัตก็ได้อธิบายเอาไว้เช่นเดียวกันฮวนนาจมุนะครับฮ ว, วนฮวนนาจมุ อนะัลมุตตะวักกิรุอันนาฟิซุนะครับตรงนี้นะครับรนักุินะนะชาการหลายๆท่านอธิบายเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับอันนะาจุมัสกิบุหมายถึงดวงดาวที่มันประกายแสงส่องแสงในยามค่ำคืนนั่นเองนะครับแล้วก็สำคัญอย่างไรล่ะนะครับสำคัญอย่างไรพี่น้องครับนักุิชาการอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ครับอินนาหูลีอันน a หูอินนามายุระบินเลลิวยัฟฟาบินนาฮาร ไอดวงดาวที่เราว่าเป็นดวงดาวปร ะ, ประกายแสงเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าหากแม้ว่ามันอยู่ในตอนกลางคืนเนี่ยเราสามารถที่จะมองเห็นแสงอันเ จ, จิดจัดนะครับอันสว่างสวัยของมันนะครับว่าอัลยักตาฟาบินนาฮัแต่ว่าพอในเวลากลางวันเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นมันเพราะว่าแสงต่างๆเหล่านั้นมันถูกซ่อนตัวอยู่ในตอนกลางวันนะครับ วายูอัยยิดูฮู a าจาอฟิลฮั i ิซิซฮี ح ح> นะครับแล้วก็ตรงนี้เองนะครับมีสิ่งหนึ่งที่ถูกรายงานนะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนะครับฮัดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลออะลัยฮิวะสลัมนะครับ นะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่บรรดานักวิชาการได้หยิบยกออกมาพูดคุยกันตรงนี้พี่น้องไปดูคําอธิบายเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะครับที่บรรดานักกุชาการมุฟัซซีลินได้นะครับหยิบยกคําอธิบายเอาไว้นะครับบอกว่ายังไงล่ะนะครับมิมัลอิฆตารุนะ อันมะนาอัศกิบุคําว่านะนะครับอัลลอฮุซุบะฮานะฮุวาตาละเลือกใช้คําว่าอัสากิบุนั้นก็คืออัลโมดีอู่อัลโมนีรูก็คือการประกายแสงหรือว่าส่องแสงนะครับในส่วนของอัลโมดีอุหมายถึงแสงสว่างนะครับอัลโมนีรูก็คือมีรัศมีอันเจิดจรัส นะครับอัลลาีนะครับยัตตะวะยัตะวะกดุเดียอูหูก็คือแสงที่มันจะกระจายนะครับส่องแสงให้กระจายแผาวไปนะครับในท้องฟ้านะครับอันนี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราได้รู้ถึงความหมายของคําว่าอัสสากีบุอัสสากีบุแปลว่าแสงที่มันกระจัดกระจายแสงมันที่ประกายนะครับเป็นประกายพี่น้องครับ ผมนับหรือพี่น้องเองเวลาที่เราแหงนหน้าไปดูบนท้องฟ้านี่พี่น้องครับแสงของดวงดาวนี่พี่น้องครับอยู่ไกลริบตาเลยแต่เราก็ยังเห็นความชัดเจนหรือแสงอันเจิดจัดของดวงดาวแต่ละดวงแต่ละดวงที่ลอยอยู่บนท้องฟ้านี่นะครับ ไกลกับเรานี่ไม่รู้ตั้งกี่กี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่หมื่นกิโลเมตรเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทราบได้เลยแต่เราก็ยังมองเห็นนะครับว่าบนท้องฟ้านั้นยังมีดวงดาวอยู่อันเนื่องมาจากว่ามันอทอแสงมันประกายแสงให้สว่างจ้าเจิดจัดถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลกับเราแค่ไหนก็าตามดังนั้นตรงนี้แหละครับความเจิดจ้าความเจริด ความเจิดจรัสตรงนี้เนี่ยนะครับถูกอธิบายเอาไว้ด้วยกับคําคํานี้แหละครับคำที่เรานะครับได้ทำความเข้าใจกันนะครับในอาญาตุลาตองค์การนี้เหมือนกับที่นักกุชยาการมุฟัตซิรินได้บอกนะครับบอกว่ายังไงอัสซากิบูตรงนี้ก็คืออัลโูดิอุนะวัลโมเนีรูนะเป็นแสงที่ถูกทําให้เจิดจรัสสว่างสวัยนะครับส่องนะครับไปทั่วทุกสารทิศ นะตรงนี้คือสิ่งหนึ่งที่บรรดานักกุชาการเขาได้อธิบายและให้ความหมายเอาไว้นะครับค่อนข้างที่จะละเอียดเลยทีเดียวนะครับส่วนมีคำนะครับอธิบายของนักวุชาการท่านอื่นๆอีกนะครับทีโ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในทับซีดของ a มัคชารีเป็นทับซีด ท, ที่อธิบายนะครับเน้นหนักไปทางด้านภาษาแล้วก็ให้ความหมายของคำว่า สักิบตรงนี้นะครับก็บอกว่ายังไงพี่น้องครับฮวลนจมุอัลลาดียุควาลูรอจู ล, ลุนวะสักกิบุนะอั a ลาดีมาดะอิรตลอันมีเขาบอกว่าตรงนี้ก็เปรียบประดุษเหมือนกับคนคนหนึ่งนะที่มีความเจจรัวมีความเด่นนะครับแล้วก็ ถ้าจะเทียบเปรียบประดุดก็เหมือนกับดวงดาวที่นะครับอยู่ในถูกยกไปในเบื้องสูงแล้วก็นะครับเป็นดวงดาวที่มีความเด่นชัดมีความเจิดจเรจริญจรัสนะครับนี่คือการเปรียบเทียบนะครับของนักกุชาการนะครับตัฟซิดอันกุรอ่านแล้วก็เป็นตัฟซิดทานะงด้านภาษาด้วยนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งครับที่เราได้จากคําอธิบายของบรรดานักกุชาการนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับ นะในนี้เองนะครับคำว่าอัสซากิบูเนี่ยท่านอับดุลลอฮ์อิบนาะอับบาสอดีลลอฮุอัลฮุกนก็ได้กล่าวเอาไวา้นะครับในเหมือนกับที่เราได้พูดคุยกันมาท่านบอกว่ายัางไงนะครับอัสซากิบูตรงนี้ก็คืออัลมูดีอุนนะวะกอลัสุดดีท่านอิหมัมอัสุดดีนะักวิชาการมุฟัซซีลีนอีกหนึ่งท่านนะครับนะยัสกูบุอัชชะยาตีดอิจาออรซิละอาไลฮะนะครับตรงนี้เองอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ บอกให้รู้นะครับคำว่ายัสกูบุนะครับก็คือแสงนะครับแสงที่นะครับอลัลลอ์สุบหฮานะหัวตะลาเนี่ยเอาส่องนะชัยตอนเวลาที่ อ, อะไรครับพบหรือชัยตอนมันมันอาจจะมีการนะครับลักรอบนะครับอลัลลอ์สุบบฮานะฮัวตะลาจะให้แสงตรงเนี้ยคอยเขาเรียกส่องนะครับคอยที่จะแส ง, งนี้จะถูกส่องมาเพื่อที่จะให้ เห็นนะครับเชตตอนมานรายนะครับอันนี้ก็เป็นความเข้าใจของนักวิชาการอีกอีกอีอกท่านหนึ่งนะครับว่าก้อลาอิกกริมะท่านอิกกริมะก็ได้อธิบายบอกว่ า, วาหัวมูดีอุ่นนะมูฮาริกุลิชัยตอ น, นบอกว่าแสงตรงนี้เนี่ยนะครับท่านก็ได้อธิบายว่าเป็นแสงสว่างนะครับที่เป็นการเผาไหม้ของชชยตอน นะครับอันนี้ก็เป็นคําอธิบายของนักวิชาการบางท่านที่ได้ให้ความหมายที่แตกต่างกันไปนะครับดังนั้นนะครับในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เองเป็นสิ่งที่เราได้รับรู้รับทราบนะครับจากสิ่งที่เป็นคําอธิบายของนักวิชาการมุฟสิรินนะครับพี่น้องไปดูอายันกุรันในองค์การต่อไปนะครับใน องค์การที่4นะครับ อ, อัลลอฮ์ س ب ح ะหัวตละลาได้กล่าวเอาไว้ในองค์การที่4นะครับว่าอย่างไรเราไปดูกันนะครับอิอบนกุลูนัซิลมะลฮอัลลอฮ์ะหัวตละลานได้กล่าวเอาไว้นะครับอิน นะครับอินอลิฟีนูนอินตรงนี้พี่น้องครับฮารฟุนัฟยินนะครับฮารฟูนัฟยินตรงนี้กุลลูกุลลูแปลว่าทุกทุกสิ่งนะครับแปลว่าทุกๆุกสิ่งกับอ่านเป็นมารฟะนะครับอ่านเป็นสระดดมมากุลลูนับซินอิสมุนมาจรูดแล้วก็คําว่ากุลลูนี่ก็เป็นมารฟะด้วยนะครับแล้วก็เป็นนะครับฮารฟูญรินด้วยนับซินนะครับเป็นอิสมุนมาจรูรุนอ่านเป็นนับซินไม่อ่านซุนนะครับไม่อ่านสั้น เพราะมีกุลูอยู่ข้างหน้ามันนะครับลำมาก็คืออะดาตุนอิสติสนานะครับลำมาตรงนี้แปลว่าอะดาตุนอิสติสนะหมายถึงเครื่องมือที่จะมาทำการยกเว้นอะไลฮ่าจารวมะจรูตอะลาฮัรฟูจารินฮานะครับเป็นสาพนามที่ถูกติดกับคำว่าอะลาฮาฟิรุนคำว่าฮาฟิรุนเป็นอิสมูลเป็นคำนามมารฟูอนนะครับที่อ่านเป็นสละดมมา ดังนั้นนะครับในอายะอันกุรอานองค์การนี้ที่อัลลอฮฺสุบบฮานะฮัวตาลาดได้กล่าวนะครับกล่าวเอาไว้ตรงนี้นะครับที่พระองค์ได้ทรงกล่าวในเรื่องราวของการอธิบายนะครับในอันกุรอานที่นักวิชาการมุฟัสิรินก็พยายามหยิบยกสิ่งที่เป็นอะไรครับสิ่งที่เป็น คําความความเข้าใจนะครับที่ได้จากอายันกุรานองค์การนี้บอกว่ายังไงครับอิงกุลูนับสิลามะไลฮ์ฮะฟิดนะครับอันนี้เองนะนักวิชาการนะครับหลายท่านนะครับนักวิชาการหลายท่านเนี่ยอ่านคําว่าอิงกุลูอิงกุลูตรงนี้พี่น้องครับ ทำไมถึงอ่านแบบนี้นะครับเพราะอันนี้เป็นการอ่านที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดเลย ingun lunasilam a l a ล h a hafid นะครับ อินนะครับตรงนี้เป็นนาฟิยากุลลุนะครับเป็นนะครับมุบตดะก็คือคําที่ถูกเริ่มต้นนะครับเป็นคํานามที่ถูกเริ่มต้นอดาตูฮัสรินบิมะนาอิลลานะครับเหมือนกับที่เรารับทราบไปนะครับอะไลฮายัดวะมะจารุนะครับมูอัลละกุนบิมะฮตูฟินกอบารุนโมกัดดัมอันนี้เป็นนะครับทางด้านภาษาที่นักกุชาการเขาอธิบายเอาไว้เป็นนะครับเป็นคอบาสที่ถูกนําเอาไว้มาไว้ก่อนหน้านะครับคราวนี้ คำว่าประโยคนี้ทั้งประโยคเลยนะครับที่นักวิชาการได้กล่าวเอาไว้อินกุลูนับสินลามาไอเลหะหาฟิสนะครับในความหมายความเข้าใจที่นักวิชาการได้ให้อธิบายเอาไว้ก็คือไอยกุลุนับสินไอเลหะมีนอลลฮิฮาฟิซุนนะแปลว่าอะไรพี่น้องครับในประโยคนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เข้าใจนะครับง่ายๆเลยว่าไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดหรือทุกๆชีวิต นะครับอิงกุลูนับสินหมายถึงนะครับทุกๆุกชีวิตนะครับอา่บานะอัลลอฮ์สุบบฮานะฮัวตาลาบอกว่าอย่างไงทุกๆุกชีวิตนะอายกุลลูนับสินอะไรฮะมิ널ลอฮีาฮาฟิซุนนะยะอรุสูฮามิ널อาฟาตีแปลว่าไม่มีชีวิตใดที่จะอยู่โดยลําพังหรือทุกๆุกกชีวิตนั้นนาะมีผู้ที่ดูแลมีผู้ที่รักษา นะครับดังนั้นประโยคนี้ทั้งประโยคเลยอิงกุลลุนับสินลำ ม, มาไอเลหะหะาฟิลหมายถึงทุกชีวิตนั้นจะมีผู้ที่คอยปกปักรักษามีผู้ที่คอยดูแลอยู่เอาละครับคราวนี้เวลาที่เราพูดถึงคนที่หรือผู้ที่ปกปักรักษาทุกทุกชีวิตนี่ตรงนี้เนี่ยหมายถึงใครละ่ะนะครับ อันนี้ต้องเรียนต่อต้องศึกษาต่อนะครับว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสุบบฮานะฮฺอัลลาตาลากําลังกล่าวกับเราเนี่ยพระองค์กําลังพูดถึงใครใครที่ทําหน้าที่ในการปกปักรักษาชีวิตทุกชีวิตใครที่ทําหน้าที่ในการดูแลมนุษย์ทุกผู้ทุกคนอินชาอัลลอฮฺครับในครั้งต่อไปเราก็จะได้กลับมาพบแล้วก็พูดคุยกันนะครับว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสุบบฮานะฮฺอัลลาตาลากล่าวเอาไว้ในองคการนี้อัลลอฮ์กำลังพูดถึงใคร นะครับพี่น้องติดตามกันนะครับกับรายการตับซีรุกุรรันนะครับในส่วนของอัตตอริกที่เราจะได้พูดคุยกันต่อวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับกลับมาพบและพูดคุยกันใหม่ในครั้งต่อไปอินชาอัลลอ์อะกูลูกาลีฮจาวอัสซัฟุลลอฮ์ลิมลวะละกุมัสตฟิรอินนฮูกานฟารอส alamualaikum w a r w a b a r า k ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันตีมผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติ